ท, ทุกปีรับบางปีบ่ถ้ำรู้สึกว่ารถกิจการงานมันไม่ปัญหาลงพอกนะารว่าปีใดถํำบุญรู้สึกว่ามันเรียบปล่อยการงานก็รู้สึกว่ามั น, น, ม, นมันลื่นขั้นสั้นรถขั้นนึงละเบิดรถ ล, ดลั้นึงเครื่องเสียรถขั้นงนึง มันหังมีแนวเป็นไปนี่อีลุ่งตุงนั่งอีร่งตังนุ่งมาทนะ่านไนข้าได้ทาบุญแล้วซนื่อว่าทุกอย่างก็เรียบเรียบร้อยอางานเข้าไปได้ดีม่มีโบมีอุปสรรคผมก็เลยได้ทําทุกปี <h ư>? เสียตรงเพิ่นว่าให้หลวงพ่อฟังเพิ่นมามิมมดหลวงพอ่อหลวงพ่ออือง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 เต้างบูปสโมสุโคสาเบสาตามรันติจามาริงสู้จามาริษาเลตเทวหังวริสาามินาธิเมเอตสังสย ο. อออะต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พร ท, ทีเดียวพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวหลวงพ่อจีกาวหว่าวอียงป่าลบ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 ต่ผูมิอุปกราคุณคือคุณแม่เต็มคือคุณย่ายของเฮาคุณลาวันคุณแม่ของเฮานางกีบแล้วก็นายวองนางมารีนี่แล้วก็คุณรัตนานีา่ยแยังมีชีวิตอยู่พวกเฮาจิตบุญกุศลที่ได้ทาในมณีออก็ห้เป็นเครื่องเกลือกูนนุน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 ร้องโมร้องให้กระจององั่งอยากจะกินไข่เต่าพอในสุดแม่ก็เลยไปเอาไขา่ไก่มาต้มให้กินพอมาต้มให้กินติดไข่ไก่บ้านึงถึงจะไม่เป็นไข่เตาก็เถอะแต่มันก็รสดีรสดีอร่อยติดไข่เต่าอติดไข่ไก่จากนั้นก็เลยไปเอาไขา่ไก่ามาต้มให้กินทุกวันไก่แม่นั้นมันก่อน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 ถ้าว่าเห็นแก่ตัวอย่างเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนางกุ ม, มาริกาเด็กหญิงนะกินไข่คนอื่นเขานะเขาช้าอกช้ำใจขนาดไหนเราไม่รู้ว่าเขาช้ำใจขนาดไหนแต่แม่ไก่นี่ยมันช้ำใจขนาดหนักเลยพอไข่ออกมาเขาก็รักลูกของเขาเหมือนกันถึงจะเป็นไข่เป็นไก่มันก็รักลูกของมันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะั้นลูกหลานคณะัตยธธาติโยมนะให้พวกเรา